การปฏิบัตธิธรรมนี้มีจุดประสงค์หรือมีเป้าหมายอยู่ที่การกําจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้ออกไปจากใจเพราะกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้เป็นเหมือนกับเชื้อโรคของร่างกายเวลาร่างกายติดเชื่อโรค ร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยและอาจจะถึงแก่ความตายได้กิเลสตัณหาเวลามันแสดงขึ้นในใจมันก็สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ใจจ mm. ึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำจัดกิเลสตัณหาเพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในใจ นั่นเองและสิ่งที่จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้ออกไปจากใจได้ก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ก็คือการนามาธรรมะโอสถเข้าสู่ใจธรรมะนี้เป็นเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทางร่างกายเช่นยาปฏิชีวนะต่างๆมีไว้เวลาที่มีเชื้อโรคติดเข้าไปในร่างกายหมอจะให้ยาปฏิชีวนะคือยาฆ่ายาฆ่าเชื้อโรคนี้มากําจัดเชื้อโรคที่เข้าไปอยู่ในร่างกายพ อ, อยาคือปฏิชีวนะ นั้นได้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะสามารถกำจัดเชื้อโรคที่สร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยให้แก่ร่างกายได้ร่างกายก็จะกลับมาหายเป็นปกติใจก็เช่นเดียวกันใจก็มีเชื้อโรคของใจคือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชา เป็นผู้ที่คอยสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจอยู่เรื่อยๆและความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะหมดสิ้นไปได้ก็ต้องมีธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นเองธรรมโอสถที่จะสามารถ กำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาและความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ก็คือปัญญาปัญญานี้แหละเป็นผู้ที่จะสามารถที่จะไปกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้เพราะปัญญานี้คือความรู้ความจริงแสงสว่าง ที่จะมากาจัดโมหะความมืดบอดความหลงของจิตใจความมืดบอดความหลงของจิตใจนี้เป็นผู้ทำให้เกิดความโลภความอยากต่างๆขึ้นมาและเมื่อเกิดความโลภเกิดความอยากเวลาที่ไม่ได้ตามความโลภตามความอยากก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยโลคโกรธหลง ก่อนที่จะโลภได้นี่ต้องมีความหลงก่อนมีความหลงคิดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีคนนั้นดีคนนี้ดีคนนั้นคนนี้จะให้ความสุขกับเรา<ม>เราก็อยากจะได้เขามาพอเราไม่ได้เราก็โกรธหรือเสียใจนั้นวิธีที่จะแก้วความโลภความโกรธนี้ต้องมาแก้ที่ความหลง และความหลงนี้ก็คือความมืดบอดความโง่เขลาเบาปัญญาความไม่รู้ว่าสิ่งที่ที่อยากได้นั้นเป็นทุกข์นั่นเองเป็นทุกข์เพราะว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นของไม่แน่นอนเรียกว่าอนิจจังไม่เที่งแท้แน่นอน มีเจริญก็มีเสื่อมได้มีได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเสื่อมหรือจากไปหรือหมดไปพอเกิดความภาคจากกาันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาและสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม บ, คบังคับ ของเราไม่ได้สามารถที่จะบังคับให้เขาอยู่กับเราให้ความสุขกับเรา ไ, ได้ตลอดวันใดวันหนึ่งเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปได้หรืออาจจะจากไปได้พอเขาเปลี่ยนไปจากไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือ <c oughs> ความหลงความไม่รู้ความจริง ความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงกับความสุขปลอมนั้นเป็นอย่างไรมักจะไปเห็นความสุขปลอมว่าเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขปลอมก็คือความสุขที่มีความทุกข์ตามมานั่นเองเรียกว่าเป็นความสุขปลอมสิ่งใดที่ให้ความสุขกับเรา แล้วพอมันเสื่อมไปหมดไปความทุกข์ก็ตามมานี่เรียกว่าความสุขกลองสิ่งที่เป็นความสุขกลองนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้กันว่าเป็นความสุขกลองต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาชี้บอกเราต้องอาศัยธรรมะอสุสถพระพุทธเจ้าบอกว่า สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราคือโลกกระทำทั้งสี่ได้แก่ลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจหมูกร่านกายเป็นความสุขรอมเป็นความสุขชั่วค่าวเป็นความสุขที่จะมีการวันเสื่อมได้ เวลาเกิดความเสื่อมในราบยศสรเสรินสุขเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ตามมาเพราะว่าโลกธรรมคือราบยศสรเสรินสุขนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้อยู่กับตนได้ตลอดไปไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพากจากกัน มีการสูญเสียมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเกิดการสูญเสียเวลาเกิดความเสื่อมขึ้นมาความทุกข์ก็จะตามมาทันทีความสุขที่ได้ก็จะหายไปนี่คือความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรุและนำมาใช้ในการกำจัดความหลง ความหลงก็จะเห็นว่าลาบยศ ส, สรรสญสุขนี้เป็นความสุขแท้แต่ความจริงแล้วลาบยสะะสศสารสญสุขนี้เป็นความสุขปลอมเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเมื่อเป็นอนิจจังมันก็จะเป็นทุกขังเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจตามมาเพราะว่ามันเป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาเราจรึงต้องอยากไปอยากกับความสุขแบบนี้ให้เราไปหาความสุขจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตรัสรู้ได้ส่งค้นพบความสุขจริงก็คือความสุข ของมรรคผลนิพพานนี่ความสุขของมรรคผลนิพพานเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขของมรรคผลนิพพานนี้ก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่ผู้เจ้าได้ทรงปฏิบัติก็คือทานศีลภาวนานี่เองทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนา อันนี้จะเป็นการทำให้ได้ความสุขของมรรคผลนิพพานตามมาตามลำดับความสุขของพระนิพพานนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดมีแต่จะเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดพอถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะเป็นความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจ แล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหไม่มีวันหมดไม่ต้องคอยไปเติมมาอยู่เรื่อยๆไม่ต้องไปปฏิบัติทานศีลภาวนาอยู่เรื่อยๆพอเติมความสุขของมรรคผลนิพานได้ครบร้อยเต็มร้อยในหัวใจแล้วก็ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเติมอีกต่อไปไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเมื่อมันไม่เสื่อมมันไม่หมด ความทุกข์จึงไม่มีมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะต้องมาศึกษากันเพื่อที่จะได้รู้จักแยกแยะความสุขแท้กับความสุขปลอมละจะได้รู้จากการกระทำด้ือการปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ความสุขแท้กันนั่นเอง ปัญญาที่เราจะมาใช้ในการสอนใจเพื่อให้ใจได้เข้าถึงความสุขอันเลิศอันประเสริฐของมรรคผลผนิพานนี้ก็มีเป็นสาม ร, ระดับด้วยกันที่เราจะเป็นจะต้องศึกษาและพัฒนาปัญญาระดับแรกที่เราจะต้อง เรียนรู้และสร้างกันขึ้นมาเรียกว่าสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นวันนี้เราก็มาเจริญสุตตมยปัญญากันสุตตก็คือพระสูตรต่างๆปัญญาที่เกิดจากการได้ศึกษาพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้า วันนี้เราก็จะได้ศึกษาเรื่องวิธีกําจัดโมหะเพื่อที่จะได้ไประ ง, งับความโลภความโกรธที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความไม่สบายใจต่างๆ<ม>เราขั้นต้นเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ทําให้เราทุกข์ใจสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ใจก็คือความโลภความโกรธความหลง เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงแล้วใจเราจะไม่สบายเหมือนกับเวลาร่างกายติดเชื้อร่างกายก็จะไม่สบายแต่พอร่างกายได้ยารักษาโรคโรค ก, ก็จะหายไปใจก็จะหายจากความทุกข์จากความไม่สบายใจถ้ามีธรรมะโอสถมารักษามากำจัดเชื้อโรค ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจมากำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการไปกำจัดที่ตัวความหลงเพราะว่าความโลภความโกรธความหลงนี้มันมาเป็นเป็นเป็นขบวนมาพร้อมกันมาด้วยกันโดยมีความหลงเป็นผู้นำความหลงจะหลอกให้เราคิดว่าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องไปหาลาบยศรเสริญหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่เราไม่รู้หรือเราไม่คิดรอบคอบเราไม่รู้ว่าลาบยศรสรรสิญสุขที่เราไปหากันนั้นมันไม่สามารถจะอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเสืออเส่อมไปพอเสื่อมไปมันก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา มันก็เลยทำให้เราต้องไปหาราบยศเสริญสุขมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ต้องเสื่อมต้องหมดไปเพราะว่าเป็นเหมือนกับเติมน้ำในถุงที่มีรอยรั่วเนี่ยในถุงน้ำนี่ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปในถุงที่มีรอยรั่วเวลาเราเติมเต็มแล้วถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่ง เดี๋ยวน้ำที่อยู่ในตุ่มมันก็จะซึมรั่วออกมาตามรูไม่นานมันก็หายไปหมดน้ำในตุ่มเราก็เลยต้องคอยเติมน้ำอยู่เรื่อยวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่การเติมน้าเพียงอย่างเดียวถ้าต้องการจะเติมน้ำแล้วก็ให้มันอยู่ไม่หายเราก็ต้องไปอุดรอยรั่วของของตุ่มน้าถ้าเราอุดรอยรั่วเสร็จแล้วพอเติมน้าเข้าไป ทีน้นาน้ำในตุ่มก็จะไม่พร่องไม่หายไปใจของเราก็เป็นเหมือนกับตุ่มน้านี่แหละที่มีรอยรั่วอยู่สามรูด้วยกันก็คือความหลงความโลภความโกรธนี่ที่จะคอยทำให้ความสุขต่างๆที่เราเติมให้กับใจของเรานี้มันพร่องหายไปหมดนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ เราต้องมาอุดรอยรั่วของใจก่อนหรือกาจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการใช้ปัญญาหรือธรรมโอสฐของพระพุทธเจ้านี่มาอุดรอยรั่วอุดที่โมหะความหลงความหลงผิดเป็นชอบความหลงที่ไปคิดว่าความสุขทางโลกนั้นเป็นความสุขที่แท้จริง ไม่รู้ว่าความสุขทางโลกนั้นเป็นความทุกข์ที่แท้จริงเพราะถ้าไปหาความสุขทางโลกแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความจริงเกิดตั้งแต่เวลาไปหาแล้วอยู่ดีๆอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปหาลาบยศสารเสริญสุขมาการหามันก็เป็นทุกข์เป็นความทุกข์ยากลาบากแล้วแต่เนื่องจากความ ความปรารถนาที่มีกำลังมากมันเลยทำให้กล้าที่จะทนกับความทุกข์ยากลำบากในการไปหาราบยศสรรเสริญสุขมาให้ความสุขกับตนนั้นอพอเริ่มขยาบปั๊บนี่มันก็เริ่มทุกข์ละเพราะอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาเพื่อที่จะได้เกิดความสุข พอได้มาก็เกิดความสุขเดี๋ยวเดียวทั้งพักหนึ่งความสุขนั้นก็หายไปแล้วก็ทําให้จะต้องไปหามาเพิ่มใหม่ๆอยูเรื่อยเราถึงต้องไปหาหาข้าวของต่างๆมาให้เราอยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อให้เรามีความสุขหามาได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอเสียทีมันก็ยังก็มีเกิดความรู้สึกว่ายังอยากได้ยังไม่พอ ความอยากได้ความไม่ความไม่พอนี้ก็เป็นความทุกข์ใจแล้วนี่แหละคือเรื่องของการไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ทางเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความสุขแท้กับความสุขปลอมว่าเป็นอย่างไรมันก็เลยทำให้เราหลงไปหาความสุขปลอมกันความสุขปลอมก็คือความทุกข์นั่นเองเพราะความสุขที่ได้มันเป็นความสุขเดียวเดียว เป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้พอความสุขที่ได้มาจางหายไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาทันทีนี่คือปัญญาระดับแรกที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าการที่เราจะใช้ปัญญากำจัดความโลธความโกรธความหลงนี้ต้องอาศัยปัญญาขั้นสามระดับด้วยกัน ระดับแรกก็คือเรียนรู้ให้รู้กอ่อนว่าอะไรที่ทําให้เราทุกข์กันสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความโลภความโกรธความหลงและอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความเกิดความโลภเกิดความหลงขึ้นมาก็คือการไม่มีความรู้ทางทางปัญญานั่นเองไม่มีความรู้เรื่องของความสุขแท้สุขปลอมว่าเป็นอย่างไรอ ถ้าเราเรียนธรรมะกลุมสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคําความสุขแท้ความสุขปลอมอย่าไปหาความสุขปลอมคือราบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกฟิ้นกายนี้อย่าไปหาเพราะเท่ากับการไปหาความทุกข์เพราะว่ามันจะเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็มันก็จะจางหายไปเหมือนควันไฟพอมันจางหายไป พอเวลาไม่มีความสุขมันก็รู้สึกว่าเวรู้สึกเศร้าส้อยงอยเหงาเนี่ยนั่นแหละก็คือความทุกข์ก็เลยจะต้องไปหาราบยศสารเสรื่อสุขมาใหม่มาคอยเติมอยู่เรื่อยเติมเท่าไหร่ก็ไม่อิ่งไม่พอนี่คือความสุขปลอมพระเจ้าบอกว่าให้ไปหาความสุขแท้เพื่อมาทดแทนความสุขปลอม ความสุขแท้ก็คือความสุขที่เกิดจากการทาทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนานี่ที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกันอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาการภาวนาก็คือการสร้างปัญญาให้กับใจนั่นเองเพื่อที่จะได้เปลี่ยนวิธีการหาความสุข อย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิ่นรสปวดทพัชชนิดต่างๆให้มาหาความสุขจากการทําทานรักศาสลภาวนากันนี่คือความรู้ระดับแรกหรือปัญญาระดับแรกที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนเพราะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เราก็จะไปหลงกับการหาความสุขปลอมกันนั่นเองคนที่เขาไม่เข้าวัดกันนี่เขาคิดว่าเขาฉลาดเขาคิดว่า ขาววันแล้วขาดทุนขาว่ัแล้วไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่รู้นั่งหลับต า, ไ, บปาไปทำอะไรได้อะไรขึ้นมาซู้ไปหาราบยศสรรเสริญสุขกันดีกว่าเพราหาเวลาได้มาแล้วก็โอ้สามารถที่จะเอามาอวดเอามาโชว์กันถ่ายรูปกันฉันมีเงินมีทองมีของมีข้าวมีรถหรูหลามีคอนโดหรูมีเสื้อผ้าแบรนด์เนมใส่ มีร้านอาหารที่มีดาวห้าหกดาวไปดืมไปกินกันอย่างสนุกสนาน <Yes. S 2> เรื่องอะไรที่จะมานั่งนุ่งขาวห่มขาวมาหลับตาให้เสียเวลาปล่าๆไม่ได้อะไรเลย <Yes. S 2> โง่หรือเปล่าพวกที่ไปนั่งหลับตากันนี่นี <Yes. S 2> ่คือพวกที่ไม่ได้เคยเรียนรู้ธรรมะคาสอนของพุทธเจ้าไม่รู้กฎของไตรลักษณ์ไม่รู้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นอย่างไร yes. ละรู้ก็สายไปแล้วส่วนใหญ่พอไปเจอความเสื่อมขึ้นมาพอเสื่อมราบยศสรรเสริญสุขเท่านั้นก็คิดฆ่าตัวตายกันกระโดดตึกตายกันกินยาฆ่าตัวตายกันเพราะไม่สามารถรับกับสภาพของการสูญเสียเสื่อมเสียราบยศสรรเสริญสุขไปได้นั่นเองในในโลกนี้จะมีคนฆ่าตัวตายมากขึ้นไปเรื่อย เพราะคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าตนกำลังไปหาความทุกข์กันคิดว่าไปหาความสุขจากลาบยศจารเสญกันน้อยคนที่จะรู้ว่าวิธีที่จะหาความสุขที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากการทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือหาความสุขจากการทำบุญทาทานหาความสุขจากการรักษาศี หาความสุขจากการภาวนากันถ้ามีความสุขจากทานศีลภาวนาแล้วความสุขนี้ไม่หายไปจากใจเพราะเป็นความสุขที่เราสามารถรักษาไว้ได้มีแต่จะเพิ่มให้มันมีมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดขั้นเต็มร้อยของจิตใจเมื่อถึงขั้นนั้นแล้ ว, ลวการปฏิบัติทานศีลภาวนาก็ไม่มีความจาเป็นอีกต่อไป ไม่เหมือนกับการหาความสุขทางลาบยศสารเสญทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้ต้องหาไปจนวันตายและพอหาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความซึมเศร้าขึ้นมาเกิดความว้าเหวเกิดความคิดที่อยากจะฆ่าตัวตายตามมาเพราะเมื่ออยู่แล้วไม่สามารถมีความสุขได้ไม่รู้จะอยู่ไปทำไม นี่หละคือความทุกข์ทางลาบยศสารเสริญสุขจะเป็นอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เราหากันคือลาบยศสารเสริญสุขมันก็เป็นของไม่แน่นอนบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้แล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการหาลาบยศสารเสริญสุขก็เป็นของไม่แน่นอนเหมือนกัน ก็คือตาหูจมูกเิ้นกายคือร่างกายของเรานี้ถ้าร่างกายเราตาบอดขึ้นมานี้ก็หาความสุขทางตาไม่ได้นะถ้าหูหนวกขึ้นมาก็หาความสุขทางหูไม่ได้นะถ้าร่างกายพิกลพิการไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้ต้องนั่งอยู่ในรถเข็นนี้แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆตอนนั้นมันไม่มีความสุข เราไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกิ่นรสผดพภพได้แล้วตอนนั้นก็มีแต่ความคิดอยากจะฆ่าตัวตายไม่รู้จะอยู่ไปทำไม mm. จนกระทั่งในที่สุดก็ฆ่าตัวตายกันดี๋าวนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องความนิยมไปเสียแล้วเรื่องการฆ่าตัวตาย มบีบางประเทศนี้มีการออกกฎหมายให้ฆ่าตัวตายได้ให้หมอช่วยช่วยฆ่าให้คนที่อยากจะตายนี้ตายได้ <Yeah. S 1> เพราะคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้เป็นการท่าความทุกข์ทำลายความทุกข์แก้ปัญหาแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงมันอาจจะแก้ปัญหาชั่วชั่วคราวคือตายไปแล้วก็ คิดว่าความทุกข์หมดมันไม่หมดเพราะความทุกข์มันอยู่ในใจมันก็ยังฝังอยู่ในใจต่อเพราะเหตุที่ทำให้ใจทุกข์มันก็ไม่ได้มันไม่ได้หมดไปเหตุก็คือความโลภความอยากความหนงที่อยากจะหาลาบยศสารสรสุขมันก็ยังมีอยู่ในใจมันก็คอยกระตุ้นคอยสร้างความทุกข์ให้กับใจเหมือนตอนที่มีร่างกายอยู่ เวลาตายไปกับเวลาอยู่ความทุกข์ในใจมันไม่ได้ต่างกันตรงไหนเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจทุกข์เหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความโลภความโกรธความหลงที่มีใน ใ, น ใ, นใจเห็นไหมการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแล้วมันก็จะพาให้ใจนี้ที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงความอยากอยู่นี้นิ่นไปหาร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้ไปหาราบยศสรรเสริญสุขกันใหม่กันอีกนะนี่คือที่มาของการมีเวียนว่ายตายเกิดพอตายจากภพนี้ไปก็เดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาหาราบยศสรรเสริญสุขกันใหม่นะีแล้วพอเจอปัญหาไม่สามารถหาได้ก็ฆ่าตัวตายกันอีกนิม ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฆ่าตัวตายเฉพาะตอนที่แก่ตอนที่เจ็บอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เวลาสิ้นเนื้อประดาตัวก็ฆ่าตัวตายกันก็มีคนหนุ่มคนสาวนี้เคยใช้เงินใช้ทองอย่างอย่างอย่างง่ายได้หาได้หาเงินมาได้ใช้ได้แต่พอวันดีคืนดีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีทางที่จะหาเงินมาใช้ได้ก็ทิศฆ่าตัวตายกันก็มี นี่แหละคือความสุขปลอมเป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรูน้นี้พวกเราก็จะหลงกับการไปหารากยศสรเสริญหากับความสุขทางตาหูจะหมกลิ่นกายไปเรื่อยๆแล้วก็มาทุกข์โดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าทําไมเราถึงต้องมีความทุกข์กันก็ทุกข์เพราะเกิดความอยาก แล้วพอไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้หรือสูญเสียสิ่งที่เรามีไปมันก็จะทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วดูว่าการหาราบยสะะสศสารสนุขนี้เป็นการหาความทุกข์เราก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขกันพยายามอย่าไปหาราบยสะะสศสารสนุกมาหา ความสุขจากการปฏิบัติทานศีลภาวนากันแทนอันนี้คือปัญญาระดับแรกคือเราต้องเรียนรู้ว่าความสุขแทบหรือความสุขปลอมนี้เป็นอย่างไงความสุขปลอมนี้เป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่ไปหาราบที่เกิดจากการไปหาราบยกสรรเสริญจะหาลูกเสียงกลิ่นลดมา หามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้ความทุกข์ทั้งๆที่ไม่อยากจะได้แต่มันก็เป็นของที่ติดมากับความสุขนั่นเองแล้วก็วิธีหาความสุขแท้ที่ไม่มีความทุกข์ก็คือการหาความสุขจากการปฏิบัติทานสิงภาวนาอันนี้เป็นความรู้ระดับแรกเรียกว่าสุตตะมะมยะปัญญาคือเรียนรู้จากผู้อื่น เราพวกเรานี้ไม่มีความสามารถที่จะรู้ความจริงอันนี้ได้ด้วยตนเองเราจึงต้องอาศัยคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาโลกทั้งหลายเป็นผู้ที่มาสอนเราบอกเราว่าอย่าไปหาความสุขอย่าลาบยศสารเสริญสุขนะเพราะมันเป็นความทุกข์เพราะมันเป็นปลายลักเป็นอนิจจังไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ตามมา มันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เพราะมันเป็นธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ฝนจะตกแดดจะออกนี่เราสั่งเขาไม่ได้ราบยศเสรเสริญสุขจะเจริญนึกจะเสื่อมนี่เราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาเสื่อมมนเขาก็จะทําให้เราทุกข์กัน นี่อย่าไปหาความทุกข์อย่าอย่าไปหาความสุขแบบนี้เพราะเป็นการไปหาความทุกข์ให้ไปหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ก็คือความสุขจากการทำบุญทำทานจากการรักษาสิลจากการภาวนานี่คือสิ่งแรกที่เราต้องศึกษาเรียนรู้และเข้าใจทําความเข้าใจว่าเรา ต้องไปหาความสุขแท้จากการทำทานรักษาศีลภาวนาเราต้องเลิกหาความสุขปลอมกันเลิกหาราบยศสารสรสุขกันถ้าจะทำงานหาเงินหาทองก็หาเพื่อเลี้ยงชีพได้อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรียกว่าเป็นความโลภแต่เป็นความจำเป็นเรามีร่างกายที่เราจะต้องเลี้ยงดู การเลี้ยงดูร่างกายด้วยด้วยเงินทองนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภในลาบยศสรรเสริญสุขว่าเป็นการเลี้ยงชีพเป็นการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ทาได้ต้องทำเพราะถ้าไม่ทำก็ร่างกายก็จะไม่มีอะไรกินไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มไม่มียารักษาโรคร่างกายถ้าขาดปัจจัยสี่ ร่างกายก็จะต้องตายไปได้นี่เองอันนี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภไม่เป็นกิเลสถ้าหาด้วยความเหมาะสมด้วยความพอเพียงแต่ถ้าหาด้วยความรู้หลาอยากจะได้ของแพงๆของสวยๆงามๆเกินความจำเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความโลภได้ต้องต้องเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร .9 อกาเนี่ยท่านสอนให้เราหาเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือพออยู่พอกินไม่จำเป็นจะต้องเป็นของหรูหราไม่จำเป็นจะต้องของมีราคาแพงๆเพราะของหรูหรามีราคาแพงๆกับของราคาถูกที่ไม่หรูหรามันก็ทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้เหมือนกันอาหารมื้อละร้อยกับอาหารมือ 500, อม้อละห้าร้อยหรือมื้อละพันมันก็ทำหน้าที่ให้อาหารแก่ร่างกายได้เท่ากันคือไปกาจัดความหิวของร่างกายแล้วก็ให ร่างกายมีสารอาหารไว้เพื่อเลี้ยงดูรักษาไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งนั้นเองอาหารจะแพงหรือถูกไม่สำคัญขอให้มันทำหน้าที่ของมันได้ก็ใช้ได้เห้ <Yeah. S 1> อย่าไปหาของหรูหราของแพงแพงเพราะมันว่ามันก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เพราะถ้าใช้ของแพงของหรูหรา แล้ววันใดวันวันดีคืนดีเงินทองไม่พอใช้ก็จะอยู่ก็จะหาของหรูหราของแพงๆมาใช้ไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเราใช้ของถูกๆแต่ใช้ของที่มีคุณมีประโยชน์เท่ากันนี้มันก็ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินทองมากโอกาสที่จะทําให้เราไม่มีเงินทองมาใช้กับการเลี้ยงดูก็จะมีน้อยมากมเพราะเราไม่ได้ใช้มากนั่นเอง น, นี่คือเรื่องปัจจัยสี่อันนี้การหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่เรียกว่าเป็นเป็นเป็นความโลภเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าพาระอรหันต์ท่านก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายเหมือนกันแต่ท่านเลี้ยงดูด้วยความมากน้อยสันโดษวิธีพระพุทธเจ้าพาระอรหันต์เลี้ยงดูร่างกาย ท, าท่านท่านทําอย่างไรท่านก็ไปบิณฑบาตบิณฑบาตขอทานแล้วแต่คนจะเมตตาจะให้อะไร ท่านก็รับมาแล้วก็รับประทานแล้วก็รับประทานไม่มากรับประทานเพียงแค่วันละหนึ่งมื้อก็พอความมากน้อยสันโดษในปัจจัยสี่จะทาให้ไม่ต้องไม่มีความทุกข์มากเกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายถ้าอยู่แบบหรูหราอยู่แบบราคาแพงๆมันจะทุกข์มากเพราะมันจะต้องดิ้นลนหาเงินหาทองมาคอยเลี้ยงดูร่างกายที่ไม่จาเป็นจะต้องใช้ ของหรูหราของแพงๆมาเลี้ยงดูมันพระเจ้ากับพระรานี้ท่านใช้การเลี้ยงดูร่างกายด้วยการบินธบาตส่วนที่วัสัยท่านก็อยู่ตามมีตามเกิดได้ถ้าไม่มีวัดไม่มีกุฏินท่านก็อยู่ตามคนไม้กันท่านก็ไปอยู่ในปา่าทําเพิงเอาใบไม้กิ่งไม้มาทําเพิงพอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอ หรือไปอยู่ตามถ้าอยู่ตามเรือนล่างอยู่ตามเนื่อผาที่พอที่จะหลบแดดหลบฝนได้เพราะท่านไม่ต้องการพระท่านไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านช่องที่ปลอดภัยเพราะตัวท่านเองท่านไม่มีทรัพย์สินสมบัติอะไรไม่มีใครที่จะมาทำร้ายเพราะไม่มีอะไรจะให้ท่านอยู่แบบคนยากจนอยู่แต่ท่านอยู่อย่างมีความสุขท่านอยู่กับความสุขแท้ ท่านอยู่กับมรรคผลนิพพานความสุขที่ได้จากมรรคผลนิพพานทางร่างกายท่านเลยไม่ค่อยต้องกังวลท่านอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบมากน้อยสันโดษที่อยู่อาศัยก็ตามมีตามเกิดเครื่องนุ่งหม่มจีวรก็ไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นผ้าหอ่อศพเอามาซักเอามาย้อมเอามาตัดมาเย็บเป็นผ้าจีวรไวุ้นุ่งหม่มแล้วก็มีไม่มากมีเพียงหนึ่งชุดก็พอ มีผ้าหม่มมีผ้านุ่งหนึ่งผืนมีผ้าหม่มแล้วก็มีมีผ้าห่มสองชั้นไว้สําหรับกันหนาว เ, เรียกว่าผ้าไตมีอยู่สามชิ้นทั้งนี้ทั้งก็อยู่ได้แล้วสำหรับเครื่องนุ่งห่มของท่านอยารักษาโรคท่านก็รักษาตามโบราณโบราณเขาก็จะยื่มดื่มยาดองน้ํามูดกันเอาน้ํามูดมาดองกับผลไม้บางชนิด วเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มยาดองกันก็รักษากันไปตามมีตามเกิดอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายยังไงไม่ช้าก็เร็วร่างกายมันก็ต้องตายอยู่ดีมันไม่เกินร้อยปีอยู่ไปเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายร่างกายจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญมากจนเกินไปสำคัญเพียงแต่การเอามาใช้ประโยชน์กับการสร้างความสุขแท้ คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาพอได้มรรคผลที่ผ่านแล้วร่างกายนี้จะเป็นจะตายยังไงก็หมดหมดหมดความสำคัญไปถ้ายัางอยู่แด้ก็เลี้ยงดูมันไปแล้วก็ใช้ร่างกายนี้มาทำประโยชน์ให้กับโลกต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าหลังจากตัดสลูแล้วอายุสาห้าปีตอนนั้นท่านไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ท่านไม่มีร่างกายท่านก็ไม่เดือดร้อน แต่เมื่อร่างกายมันยังไม่ตายท่านก็เลยใช้ร่างกายนี้มามาเผยแผ่ธรรมะให้กับพวกเรามาให้สุตตะมยะปัญญากับพวกเราเพราะถ้าเราไม่มีสุตตะมยะปัญญาจากพระพุทธเจ้านี้เราจะไม่มีวันรู้ได้เลยว่าอะไรเป็นความสุขแท้อะไรเป็นความสุขปลอมกันแต่พอเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าความสุขแท้เป็นอย่างไรความสุขปลอมเป็นอย่างไรขั้นต่อไปเราก็ต้องทำสร้างปัญญาขั้นที่สองขึ้นมาปัญญาขั้นที่สองนี้ท่านเรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากพิจารณาอยู่เนืองๆ น, นั่นเองเพราะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากสุตตมยปัญญานี้ถ้าเราไม่เอามาไตรตรองเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยว เ, เราก็จะลืมได้ พอเราลืมเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขจากราบยศสารสริญสุขใหม่งั้นเราต้องพิจารณาอยู่ทุกๆวันเตือนขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาตือนนะว่าความสุขแท้เป็นอย่างไรความสุขปลอมเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปหาความสุขแท้เลิกไปหาความสุขปลอมกันถ้าไปหาความสุขปลอมก็ไปหาความทุกข์นะถ้าอยากจะไปหาความสุขแท้ไม่มีความทุกข์ก็ต้องไปหาความสุขแท้ ความสุขแท้คืออะไรก็คือการทำทานรักษาศีลภาวนานั่นเอง <S 2> <S 2> วันนี้ทำทานรือยังวันนี้รักษาศีลกันหรือยังวันนี้ได้ภาวนากันหรือยังให้เราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้เรียกว่าปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายาปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยฝึกฝนอบรมสอนใจให้คิดมาในทางทางธรรมให้ได้อย่าอย่าเผลออย่าหยุด พอเราเผยเมื่มอไหร่หยุดเท่าไหร่เดี๋ยวความหลงมันหลอกเราแล้ ว, ลวให้ได้เงินทองมาก็ดีนะได้นู่นได้นี่มาก็ดีแล้วก็จะเลยว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะมันเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องพยายามหมั่นสอนใจอยู่เรื่อยเรียกว่าจินตาเมยยัปัญญาเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยเตือนใจสอนใจเพื่อเบรกใจน แต่ขณะที่เราสอนขณะที่เราเตือนใจว่าความสุขปวอมเป็นอย่างนั้นเป็นทุกข์นะบางทีก็ยังเอามันไม่อยูนะ่ความรู้สองระดับแรกนี้คือสุตตะมยปัญญากับจินตามยปัญญานี้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาแรงๆก็ห้ามมันไม่ได้เวลาเกิดจะอยากไปเที่ยวอยากจะไปดูหนังฟังเพลงขึ้นมานี้ทั้งๆ ท, ที่เรียนรู้ว่ามันเป็นความทุกข์นะเพราะว่ามันไม่ช้าก็เร็ว เวลาที่เราอยากดูอยากฟังแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ฟังเราจะทุกข์เนี่ยเราก็ห้ามใจไม่ได้ตอนนี้ขอดูก่อนขอฟังก่อนขอไปเที่ยวก่อนแล้ววันหน้าค่อยว่ากันใหม่อันนี้เป็นเพราะว่าเราขาดปัญญาระดับขั้นที่สามเราต้องสร้างปัญญาระดับขั้นที่สามขึ้นมาวิธีสร้างระดับปัญญาขั้นที่สามสร้างอย่างไรก็สร้างด้วยการปฏิบัติ ภาวนานี่เองเราต้องภาวนากันเราต้องเจริญส ม, มถาภาวนาส ม, มถาภาวนาคือการทําใจให้นิ่งให้สงบด้วยสติถ้าเราทําใจให้นิ่งให้สงบด้วยสติแล้วใจเราจะมีพลังมีอุเบกขามีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้เวลาเกิดความอยากแล้วปัญญามาบอกเราว่า ไปไม่ได้นะไปเที่ยวไม่ได้นะไปหาราบยศสารเสริญไม่ดีนะเท่ากับไปหาความทุกข์เนี่ยพอเรามีสมาธิมีอยูุ่เบกขามีความสงบนี้เราก็จะเชื่อปัญญาทําตามปัญญาได้เราก็จะหยุดความโลภต่างๆได้อันนี้คือปัญญาที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นมาให้ได้แต่ต้องอาศัยขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก่อนพอเรารู้แล้วว่า ความสุขแท้ความสุขปลเป็นอย่างไรและเราไม่ลืมเพราะเราคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยเื่เราก็ต้องรู้ว่าปัญญาของเราระดับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังมีกำลังไม่พอสู้กับความโลภความอยากต่างๆอยู่เราต้องไปสร้างกำลังที่จะสู้กับความโลภความอยากได้ก็ต้องไปสร้างสมาธิต้องไปฝึกสติเจริญสติไปเปรียบว่เวกอยู่คนเดียวเพิ่ม เจริญสติการเจริญสติก็เพื่ อ, อคอยควบคุมหยุดความคิดนั่นเองถ้าเราอยู่กับคนต้องทานูน่นทํานี่กันเราก็ต้องใช้ความคิดกันเราก็จะหยุดความคิดไม่ได้แต่ถ้าเราไปปลียกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปหาที่ที่ไม่ต้องไม่มีการเกี่ยวข้องกับใครไม่มีภารากิจหน้าที่การงานอะไรนอกจากหน้าที่เฉพาะคือเลี้ยงดูร่างกายเราก็จะสามารถ เจรัญสติได้อย่างต่อเนื่องสามารถคอยควบคุมคอยหยุดความคิดให้ได้อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะสามารถนั่งสมาธิเพื่อทำจิตให้รวมเป็นสมาธิขึ้นมาให้มีความสงบนิ่งให้มีอุเบกขาเกิดขึ้นมาพอเรามีอุเบกขาแล้วใจเราจะวางเฉยเละจะเฉยต่อความความโลภความอยากต่างๆเวลาเกิดความโลภความอยากแล้วเรามีปัญญา จากสุดตะหรือจากจินตามาบอกเราว่าออย่าไปเนอะอย่าไปเที่ยวอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอย่าไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากเกินความจําเป็นพอมีพอกินก็พอแล้วอย่าไปหายศอย่าไปหาตําแหน่งอย่าไปหารางวี่รางวันอะไรต่างๆ เพราะการหาสิ่งเหล่านี้มันจะนําไปสู่ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความซึมเศร้าการฆ่าตัวตายต่อไปได้ให้มองอย่างนี้ต้องเห็นเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นพิษเป็นภัยอย่าไปหามั น, ม, นมันเป็นเหมือนไฟพวเรารู้ว่าไฟนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อต่อร่างกายอย่างไรเราจะไม่กล้าเข้าเข้าหาไฟเวลากัดเทางไม้นี้ไม่มีใครวิ่งเข้าไปในกองไฟกัน มีแต่วิ่งหนีไฟกันจันใดขอให้เรามองเห็นว่าลาบยศสารเสนสุขนี้มันก็เป็นเหมือนกองไฟดีๆนี่อยากเข้าไปหามันมันเ ร, เราไม่ได้เป็นเหมือนพวกมแมลงเม้าเียพวกมแมลงนี่มันไม่รู้ว่าไฟที่มันวิ่งเข้าไปนี่จะเผาตัวมันเพราะมันติดแสงสว่างติดแสงของไฟพอเห็นแสงไฟแล้วดีใจอยากจะไปอยู่ใกล้ เราเข้าอยู่ใกล้ๆบินเข้าไปใกล้ๆถูกความร้อนของไฟเผาตายไปชั <Yeah. S 1> ้นใดเนี่ยราบยศสารเสริญสุขนี่ก็เหมือนกองไฟใจที่ไม่มีปัญญาก็เป็นเหมือนกับแมงเม่าดีๆนี่พอ เ, เห็นราบยศสารเสริญสุขถ้ามีโอกาสได้ราบยศสารเสริญสุขแล้วนี่เนื้อจะเนื้อตัวสั่นไปหมดเลยอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้ารู้ว่าจะได้เงินสักก้อนหนึ่งอยู่ง่ายๆก็จะได้เงินขึ้นมาเนี่ยเนื้อตัวสั่นกันขึ้นมา ถูกหลอกกันก็พ่ออย่างเนี้ยมีคนมาหลอกเอาไหมเดี๋ยวจะได้ล้านหนึ่งทานูน่นทํานี่หน่อยพอทําไปโอนเงินโอนเงินค่าค่าโอค่าค่าเบิกเงินพยามเงินก้อนนี้จะต้องโอนเงินแสนหนึ่งก่อนถึงจะได้เงินก้อนนี้เอากดโอนไปเลยโอนไปแล้วหายไปเลยอันนี้แหละคือการถูกหลอกเวลาเกิดความโลภแล้วมันไม่คิดกันอะมันไม่คิดรอบครอบ มันเชื่อเข้าไปหมดเลยเขาว่ายางไงเชื่อไปหมดเลยแล้วในที่สุดก็ต้องมาน้ําตาตกในน้นงห่มล้ไห้เสียใจกันแต่ถ้าเรามีธรรมะมีคำสอนพระเจา้าท่านสานว่าอย่าไปโลภอยากได้ลาบยศเสริญสุขเลยถึงแม้จะได้มาจริงๆมันก็ยังเป็นความทุกข์อยู่เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเสือ่อมมันต้องหมดไป คือปัญญาที่เราได้จากพระพุทธเจ้าคือสติมัมมยปัญญาแล้วเราก็เอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมเพราะว่าถ้าเราฟังธรรมะหนเดียวแล้วเราไม่มาพิจารณาเดี๋ยวเราลืมเราต้องคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆทุกวี่ทุกวันว่าลาบยศรเสริญสนุกนี้เป็นทุกข์เป็นความสุขความความสุขแท้ต้องเป็นทานสิงาวนา ตอนนี้เราทําทานศีลภาวนาหรื อ, อยังเมื่อเราไปหาลาบยศเสริญสุขอยู่ให้คิดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเวลาเรายังธาใจเรายังอยากไปหาลาบยศเสริญสุขอยู่ก็แสดงว่าใจเรายังไม่มีพลังที่จะสู้กับความอยากเราก็ต้องมาเจริญสมถะ ภ, ภาวนาเจริญสมาธิทําใจให้สงบด้วยสติตเจริสติหยุดความคิด ถ้าหยุดความคิดได้นั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งจะรวมเป็นสมาธิแล้วจิตก็จะมีพลังมีพลังหยุดอุเบขาจะอยู่เฉยๆได้มีใครมาเอาเงินมาล่อ ก, กี่ร้อยล้านก็ไม่ไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกอยากได้อันนี้ต้องมีสมาธิก่อนถ้ามีสมาธิแล้วเอาปัญญามามาสอนใจมันก็จะเป็นปัญญามายะปัญญาภาวนามายะปัญญา เป็นปัญญาขั้นที่สามถ้าเราได้ภาวนาขั้นภาวนามยาปัญญาแล้วเวลากิเลสมาหลอกล่อให้เราไปห า, าลาภยศทรัพยรแสนสุขนี้เราจะหยุดพันทันทีเพราะเรารู้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์และเราหยุดใจได้ด้วยอุเบกขาที่เกิดจากสมาธิเนี่ยจำเป็นจะต้องมีปัญญาระดับที่สามเพราะปัญญาระดับที่หนึ่งที่สองนี้ยังไม่มีสมาธิ ยังไม่มีอุเบกขาถ้ายังไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาถึงแม้จะรู้ว่าราบยศสารเสริญสุขนี้เป็นทุกข์ปรมแต่เวลามีโอกาสที่จะได้ห น, นึ่งมานี้มันก็ท่ามใจไม่อยู่อยู่ดีๆก็มีคนมาเสนอให้ไปเป็นผู้จัดการธนาคารไปไหมตอนนี้ตกงานอยู่พอดีพอมีใครมาเสนอกันนี้โอ้ยไปแล้วแทนที่ว่าตกงานนี่ดีกว่านะตกงานจะได้ภาวนาจะได้ปฏิบัติธรรม แต่ถ้าไม่มีอุเบกขานี่มันทนไม่ไหวมีมีมันมันเคยเคยติดอยู่กับราบยศเสรสนเนี่ยมันก็ยังอยากจะไปอยู่แต่ถ้าเราภาวนาแล้วมีมีสมาธิมีอุเบกขามีความอิ่มใจสุขใจอยู่นี่ต่อให้ใครเอาตำแหน่งขนาดนายกรัฐมนตรีมาเสนอให้ก็ไม่ไปเพราะเห็นว่าเป็นนายกนี่ปวดหัวมากกว่ามีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆมากมาย เวลาไปทำอะไรไม่ถูกใจคนก็โดนก็าด่ายไปทำไมได้หน้าได้ตาหน่อยว่าได้เป็นนายกมีอำนาจสั่งนู่นสั่งนี่ได้แต่มันก็ต้องทุกข์ต้องมีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆนี่ันถ้าคนที่มีอุเบกขามีภาวนามยปัญญาแล้วจะไม่ไปแต่ถ้ายังไม่มีภาวนามยปัญญามีแต่สุตะมีแต่จินตานี่ยังอดที่จะห้ามใจไม่อยู่นั้นเรา จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาปัญญาให้ถึงขั้นที่สามให้ได้ส่วนใหญ่พวกเราตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองกันขั้นที่หนึ่งก็คือเนี่ยมาฟังเทศกันเรื่อยๆฟังธรรมะธรรสอนของพระเจ้าที่สอนว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปอยากได้สิ่งที่ไม่แน่นอนมันก็จะทําให้ใจทุกข์เพราะบางทีไม่ได้หรือบาทีได้มาแล้วก็เสียไป มันก็จะทำให้ใจทุกข์อันนี้ก็เป็นปัญญาที่เราคอยคอยเสริมอยู่เรื่อยๆคอยเรียนอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าจะให้ดีเวลาที่เราไม่ได้มาฟังธรรมเราต้องควรพิจารณาเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกกระทำให้ได้อยู่เรื่อยๆพยายามเจริญทุกวันอย่างว่าลาบยศจะสรสนุกนี่เป็นทุกข์ทุกขเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกขเพราะว่ามันเป็นอนัตตา เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราได้เสมอไปมันดีกันดีมันก็เปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไปได้ให้คอยเตือนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้<อ>ไม่หลงไม่ลืมแล้วก็ให้เรารู้ว่าแทนที่แทนที่เราจะไปหาลาบยศสารเสริญสุขกันเราต้องไปหามรรคผลนิพพานกัน เราต้องไปหามากผลนิพพานด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนากันวันนี้เราได้ทำทานหรือยังได้ใส่บาตรหรือยังไม่จำเป็นยังต้องทำมากทำวันละน้อยวันละน้อยทำให้มันติดเป็นนิสัยจะดีกว่าทำทุกวันเหมือนกับกินข้าวเราก็กินทุกวันกันใดทานก็เป็นเหมือนกับการให้อาหารกับจิตใจเวลาใจเราหิวอยากได้ราบยศสารเสริญสุขก็ป้อนทานทำบุญทาทานแทนท เวลาทำทุนทำบุญาทาทานแล้วใจเราก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรักษาศีลด้วยเพราะถ้าไม่รักษาศีลดี๋ยวเราก็ไปทำบาปพอไปทำบาปมันก็จะทำให้เราทุกข์กันนั่นเองเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องอย่าไปทำบาปถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องรักษาศีนเวลาเราไม่ทาบาปแล้วใจเราจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายรู้สึกปลอดภัย แต่เวลาที่เราทำบาปล้อนใจเราจะร้อนใจเราจะวิตกกังวล <c oughs> หวาดกลัวกับกับผลของบาปที่เราทำนั้นอย่าทำบาปรักษาศีลทำทานทุกวันแล้วก็รักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยถ้าเรายัางไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมได้เราก็ทำทานรักษาศีลไปก่อน แล้วก็ไปทํางานทําการเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็พอถ้าเราทํางานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่เราอาจจะไม่ต้องทํามากก็ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อปัจจัยสี่นี้มันไม่มากเพราะว่าเสื้อผ้าก็มีซื้อครั้งเดียวก็ใช้ได้หลายปีแล้วบ้านก็มีอยู่จะเป็นบ้านเช่าหรือบ้านซื้อก็ตามมันก็ไม่ต้องมันก็มีรายจ่ายแค่ค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟอะไรทำนองนี้ ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่มาก <c oughs> ถ้าเราไม่ไปทางหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วค่าใช้จ่ายจะไม่มาก <c oughs> ถ้าเราไม่ไปหาความสุขจากการใช้ของหรูหราใช้ของแพงๆนี้ค่าใช้จ่ายจะน้อยมากมันง่าย จ, จะทำให้เราไม่ต้องทำงานมากก็ได้มันก็จะทำให้เรามีเวลาได้ไปเปรีเยเทียวไปอยู่ตามวัดป่าวัดขาววัดที่มีการปฏิบัติธรรมเพืที่เราจะได้เจริญสตินั่งสมาธิ เพื่อให้ได้ความสงบได้อุเบกขาขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราได้ความสงบได้อุเบกขาแล้วใจมันจะไม่ไปทางลาบยศสารเสรินสุขแล้วถ้าเรามีปัญญาคอยสอนใจเตือนใจว่าลาบยศ ส, สรรเสิญสุขนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามัน ม, มันไม่เที่ยงทุกข์เพราะมันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้อย่าไปหามันให้เรามาหามรรคผลนิพพานกันดีกว่าด้วยการปฏิบัติเนี่ย <c oughs> ทานศีลภาวนาเนี่ย พอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถกำจัดความรูปความอยากในสิ่งต่างๆได้กำจัดนิวรณ์กำจัดสังโยชน์ที่เป็นเครื่องที่คอยผูกมัดจิตใจของเราให้อยู่ในกองทุกข์กันถ้าเราปฏิบัติแล้วมีภาวนามยภปัญญานี้เราก็จะสามารถ กำจัดเหตุที่พาให้เรามีความทุกข์ได้ความทุกข์ก็เกิดจากความหลงความความหลงก็ความหลงก็เป็นตัวที่สร้างสังโยชน์ขึ้นมานั่นเองสังโยสิบก็คือความโลภความโกรธความหลงในรูปแบบต่างๆพอเราปฏิบัติไปเราก็จะรู้เองเพราะว่าตัวไหนที่ทําให้เราเกิดพอมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันทําให้ใจเราทุกข์เราก็รู้ว่าอนี้คือสังอนี้คือกิเลสคือสังโยชน์เป็นตัวที่เราจะต้องกําจัด เราก็จะกำจัดไปตามลำดับไปเรื่อยๆพอเรากำจัดสังโยชน์และกิเลสในแต่ละขั้นได้เราก็จะบรรลุทำขั้นต่างๆได้ได้ขั้นโสดาบันได้ขั้นสกิดาคามีได้ขั้นอนาคามีได้ขั้นระอังหันตามลำดับไปด้วยกำลังของภาวนามย่ปัญญานี่เองถ้าเรามีภาวนามย่ปัญญาแล้วมันจะเป็นเหมือนกับไฟที่พอเราจุดแล้วมันจะลามไปเองเชื้ออยู่ตรงไหนมันจะลามไปเอง พอเรามีภาวนามยปัญญานี้มันก็จะลามไปฆ่ากิเลสกิเลสอยู่ตรงไหนมันก็จะตามไปฆ่ากิเลสตัณหาโมหะอวิชชาสังโยชน์อะไรต่างๆเหล่ า, านี้ที่มีอยู่ในใจที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจต่างๆให้กับใจนี้ภาวนามยปัญญานี้มันจะมันจะจี้ไปเรื่อยๆเหมือนไฟที่มันพอมันติดแล้วเชื้ออยู่ตรงไหนมันก็จะตามไป ไฟป่าที่ลุกไหม้ใหญ่โตนี้ก็เกิดจากการจุดไฟเพียงจุดเล็กๆจุดเริ่มต้นเทนั้นเองพอมันเริ่มจุดมันเริ่มติดแล้วมันก็จะขยายตัวไปที่ไหนมีเชื้อให้มันไหม้มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆพอเราได้ภาวนามายะปัญญาแล้วเท่ากับเราได้เข้าสู่ทางมรรคแล้วได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วขั้น ขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธินี่ยังไม่ถือว่าอยู่ในขั้นของโลกุตระมักโลกุตระธรรมแต่พอเราได้ภาวนามยปัญญามาปั๊บนี้ทีนี้มันก็จะเริ่มไล่ไปแล้วกำจัดสังโยชน์เียวตัวสองตัวกำจัดสักกายทิฏฐิสีรัพัตาปรมานิจิตกิจฉากำจัดขั้นต่อไปก็กามรมาาคะาปฏิฆะ พอการมราคาปฏิ้ะหมดมันก็ไปกาจัดสังโยชน์เบื้องบนอีก5ข้อคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทาจาัจนจะและอวิชชาตามลำดับไปนี่คือการการสร้างความสุขของมรผลนิพายนด้วยการกาจัดกิเลสตัณหาคือสังโยชน์ต่างๆด้วยภาวนามยปัญญาสุตตะมยปัญญากับ กับจินตามยปัญญานี้ไม่มีกําลังเพราะใจไม่มีอุเบกขาต้องมาสร้างอุเบกขาด้วยการเจริญสติสมาธิเรียกว่าส ม, มถธภาวนาพอมีส ม, มถธาภาวนาแล้วก็สามารถไปทางวิปัสนาภาวนาเพราะวิปัสนาภาวนาก็คือการใช้ภาวนามยปัญญานี่เองที่ได้ปัญญาจากสุตะและกินตามาผสมกับสมาธิส ม, มถธภาวนา ปัญญาก็เลยกลายเป็นภาวานามยะปัญญาไปพอมีภาวานามยะปัญญาแล้วกิเลสอยู่ตรงไหนนี่พอเจอกันที่ตรงไหนสามารถทําลายมันได้ทันทีเลยโดยความด้วยความแหลมคมด้วยความฉลาดของภาวานามยะปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเป็นทุกขสิ่งต่างๆความอยากต่างๆไม่ว่าจะอยากกับอะไรก็เป็นถือว่าเป็นทุกไปหมด อยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นทุกข์อยากได้อยากอยากได้ความสงบจากรูปประชานก็เป็นทุกข์อยากได้ความสงบจากอรูปประชานก็เป็นทุกข์เพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสผธะพระก็เป็นของไม่เที่ยงดูประชานก็เ <poles> ป็นของไม่เที่ยงอรูปประชานก็เป็นของไม่เที่ยงจ๊ ต้องตัดความอยากในความสุขเหล่านี้ให้ไปได้หมด kale. ตัดการมราคะไอ้ Shannon. ตัดการมตัญหาได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบตัดตัดรูป ร, ราคะได้ความอยากในรูปฌานาก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในรูปรูปภพตัดอรูป <INE>. ฌานตัดความอยากในอรูปฌานได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในอรูปภพพอตัดสามภพได้ก็เข้าสู่พันิพภานเท่านั้นเอง มาผลนิพพานก็ถือว่าสําเร็จเต็มร้อยที่พระนิพพานด้วยการตัดด้วยการตัดการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวตัญหาด้วยกําลังของภาวนามายปัญญานี่เองเมื่อไปถึงขั้นนี้แล้วความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีในใจนี้มันจะหายไปหมดเลยเพราะทุกข์ที่เกิดจากความอยากทั้งสามการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหานี้ก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจ เมื่อไม่มีการมาตารตาราภวตาราวิภ ว, วตาราก็ไม่มีทุกข์เมื่อไม่มีทุกข์ก็ไม่มีการที่จะต้องกลับมายืนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็เรียกว่าใจที่บริสุทธิ์ใจที่อยู่ในนิพพานใจที่เป็นนิพพานกวาจริงนิพพานไม่ใช่สถานที่นิพพานเป็นสภาพของใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะวิชานั่นเองนี่คือ เป้าหมายของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเพื่อพาให้ใจเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงของมรรคผลนิพพานเพื่อเลิกการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขที่เป็นความสุขปลอมที่เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวล า, รา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปูราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกปฏิยิชิตังปัทิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะวะโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสามิจังวุฒาปจายโน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 ใครอยากจะถามอะไรเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง YouTube แล้วจะมีทีมงานเอามาอ่านให้ฟังอันนี้ผู้ติดตามมีเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook าม4ท่าน YouTube 260ท่าน y o u t u ด e อรวีร้อยสิบสี่ท่านวิทยุออนไลน์แดท่านครับเฮาส์บ็ดท่านหน้ากุติแปดสิบสองท่านรวมทั้งหมดแปด้อยหสิบเก้าครับพระอาจารย์ถ้ามีคำถามว่าถามได้เลยจ้านมัสการการหลวงพ่ อ, อ, อหนูมีคำถามว่าเมื่อสองวันหนูนั่งสมาธิ เราก็ตั้งใจว่าวันนี้จะนั่งสมาธิแล้วก็นั่งทีนี้ตอนที่หนูหลับตาเนี่ยพอหลับตาปั๊บยังไม่ทันบริกรรมแต่มันขึ้นพุทโธเองโดยพุทโธเองนะเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูกลัวหลงหนูอยากถามว่าไอ้ที่มันขึ้นพุทโธเองเนี่ยถูกไหมหรือว่าหนูควรบริกรรมต่อไปเลยก็มันเป็นเหมือนกับการที่เราซ้ํามาอยู่เรื่อยๆพอขึ้นเวทีเราก็ไม่ต้องบังคับเหมือนมันก็ มันก็จัดการทำหน้าที่ของมันก uh ัน huh. ถ้าถ้าขึ้นพุโทโธได้ก็ดีไม่ต้องเหนื่อยเมื่อก่อนนี้ต้องดึงมามันจะคิดเรื่องนั้นเรื uh ่องนี้พอเราฝึกไปเรื่อยๆมันติดพุดโทโธละพอเรานั่งเฉยๆหลับตามันรู้หน้าที่ของมันก็พุโทโธพุทโธไปเลย uh huh. ดีแล้วละ่ะพยายามทำให้มันเป็นอย่างนี้ไป uh huh. ให้มันเป็นทั้งวันได้ยิ่งดีเลย เห็น อ, อะไรก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ไปคิดเรื่องอะไรให้มันหนักหัวหนักอกหนักใจเราเจ้าค่ะค่ะแล้วที่หนูทําต่อก็ถูกต้องแล้ว <ทำ S 2> ใช่ไหมคะทำไปเรื่อยๆให้มันมีพุโทโธตลอดยี่บสี่ชั่วโมงยกไ<ะ>ปเวลาหลังจ้าถูกเจ้าค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะหลวงพ่อ <c oughs> ที่เมตตาคิดพุดโทโธแล้วมันไม่มันไม่มันไม่เป็นทุกข์มันสบายใจถ้าคิดเรื่องลูกเรื่องสามีแล้วเดี๋ยวมันทุกข์เป็นห่วงกังวล แต่อยู่กับพุโทโธแล้วหายห่วงหายกังวลมีคำถามจากทางบ้านค่ะคุณสงกรานค่ะกราบนวัศการพระอาจารย์ค่ะโยมนั่งสมาธิในขณนะที่นั่ง มีอาการเหมือนรถตกหลุมจากนั้นสักพักเหมือนโยมหลับ<ม>เหมือนจิตเข้าสู่ภวังแต่อยู่ๆก็เหมือนเราเปิดไฟสว่างจ้าเป็นแบบนี้เช่นเดิมอยู่หลายรอบขอพระอาจารย์โปรดชี้แนะเพื่อความรู้ถูกต้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะถ้ามีความรู้สึกตัวก็ถือว่าเป็นสมาธิ mm hmm. สงบมันเย็นสบายนะก็ไม่มีปัญหาอะไรทำมาก็เพื่อให้มันสงบสว่างสบายนะ ถ้าไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าหลับตามได้หนึ่ง ก, การนวัตกรรมพระอาจารย์ค่ะเหมือนปกติปฏิบัติในรูปแบบค่ะก็คือหยุดดูลมหายใจแต่ว่าจิตหนีไปก็จะพยายามมีสติรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบัน แต่ว่าก็ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่รู้สึกว่าหลังๆพอปฏิบัติมาค่ะไม่แน่ใจว่าสมาธิไม่พอหรือว่ารู้สึกว่า<ส>เหมือนเห็นตัวเองมันแบบอารมณ์แบบเสียมากขึ้นมาถึงมาโกดมากขึ้นหดหงิด ท, ทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์เหมือนเห็นทุกอย่างก็หดไปหมดอะค่ะแล้วก็เห็นตัวเองร้ายกาจมากขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติอยู่เหมือนสมาธิยังไม่พอหรือว่ายังปฏิบัติตรงไหนไม่ถูกค่ะสติไม่พอไม่ใช่สมาธิไม่พอการสติ ตอนไม่มีสติใจมันก็เลยมันก็เลยไปตามตามอารมณ์ของมันงั้นต้องพยายามดึงไว้ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธนี้หมายถึงเวลาที่ไม่ได้นั่งใช่ไหมเวลาไม่ได้นั่งนี่พยายามใช้พุโทโธพุโทโธคอยคุมความคิดไว้ถ้ามีพุโทโธมันก็จะไม่ไปมีเรื่องมีราวไปคิดอะไรที่จะทําให้เราหนักอกหนักใจขึ้นมาพยายามฝึกพุโทโธไปทั้งวันเลย ก็จะลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปก่อนเลยคุมมันไว้ก่อนแล้วต่อไปมันก็จะเหมือนกับโยมที่เมื่อกี้เนี่ความฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอัตโนมัติไปมันก็จะพุโทโธของมันไปเรื่อยๆ<ม>แล้วพอไปพุโทโธมันก็จะไปคิดที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ท, ท, ที่ทําให้ทุกทุกใจวุ่นวายใจไม่นะตอนนี้เราขาดสติสมาธิยังไม่มีหรอกเพราะสมาธิต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาให้จิตนิ่งสงบ อันนั้นถึงจะเรียกว่าสมาธิก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องมีสติก่อนให้มีสติควบคุมใจไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ฟุ้งซ่านก่อนแล้วพอนั่งสมาธิจิต ก, ก็จะสงบได้ขอบคุณค่ะมีคำถามจากคังหน้ากุฏิเจ้าค่ะทำสมาธิแล้วเหมือนร่างกายแยกออกจากร่างเจ็บปวดหน้าอกทาอย่างไรเลยออกจากสมาธิเพราะเกิดอาการกลัวเจ้าค่ะ อ๋อไม่ต้องกลัวหรอกมันเป็นอาการที่มันหลอกเรามันทําอะไรเราไม่ได้หรอกเปนเพียงแต่เป็นเหมือน <c oughs> เป็นอาการที่เกิดขึ้นนั้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเองถ้าเราไม่ไปสนใจขอให้เราอยู่กับการภาวนาของเราไปเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าดูลมแล้วมันไม่สามารถหยุดใจให้ไปกังวลกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาได้ก็ให้ใช้คําบริกรรมแทน บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอใจเริ่มสงบแล้วอาการกต่างๆก็จะหายไปจากคุณศิรินภาค่ะสอบถามเรื่องทางบ้านขายเคมีทางการเกษตรมียาฆ่ า, มาแมลงหนูไม่ฆ่าสัตว์แต่ขายแต่ขายหลีกเลี่ยงไม่ได้มีความผิดมากน้อยแค่ไหนช่อค้ารบ ก, กวนพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะคนขายไม่บาป <c oughs> คนซื้อไปใช้น่ะบาป แต่เราเป็นเพียงแต่สนับสนุนให้เขาได้ทำบาปง่ายๆขึ้นเท่านั้นเองถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะเปลี่ยนอาชีพขายของที่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นขายยาแทนขายยาถ้าขายยาพิษมันก็เป็นการไปส่งเสริมให้คนไปทำบาป <c oughs> จากคุณบุญถึงค่ะนั่งสมาธิไปนานๆเกิดเวทนาเจ็บสามารถพุทโธไปเรื่อยๆพร้อมนับเลขหนึ่งถึงรอไปในใจได้ไหมครับได้ถ้าทำได้เดี๋ยวความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจหรือดีไม่ดีความเจ็บก็หายไปได้พพยายามเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาพยายามขยันพุทโธพุทโธไหม <c oughs> คำถามจากทาง y o u t u ค่ะมีสองคถามค่ะข้อแรก ขอาการเรียนถามครับในขณะหนึ่งทราบว่าจิตตื่นคือรู้จิตหลับคือไม่รู้ขอากาบเรียนถามว่าอาสัญญาศาสตร์ไปเกิดจากสภาวะจิตหลับหรือเปล่าครับเราก็ไม่ทราบคําคว่าอสัญญาศาสตร์ไปว่าอะไรเลยตอบไม่ได้ต้องขออภัยเนื่อง <c oughs> ข้อที่สองค่ะ <c oughs> ที่ให้ชื่อว่าโมหะคือหลงสังขารธรรมใช่นนั้นใช่ไหมครับคือเห็นผิดเป็นชอบนะ เห็นหมาเป็นแมวเห็นแมวเป็นหมาไม่ว่าโมหะไม่เห็นไม่ได้เห็นตรงกับความเป็จริงเห็นทุกว่าเป็นสุขเห็นว่าราบยศสารสนสุขนี้เป็นสุขเหมือนเป็นทุกขแต่เราไปเห็นว่ามันเป็นสุขเพราะมันปมีความสุขคุ้มห่ออยู่บางๆเหมือนยายาขมเคลือบน้ําตาลมันเป็นความสุขแบบบางๆผิวบางๆพอได้มาเดี๋ยวมันก็ละลายหายไปพอหายไปความทุกมันก็โผล่ขึ้นมา นี่คือความหลงที่ถ้าเราไปเห็นว่าราบยศสระเสวนสุขนี่เป็นความสุขนี่แสดงว่าเราหลงถ้าเราไม่หลงเราต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ช้าก็เร็วสุขที่ได้มันจะหายไปแล้วที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์ จากคุณตู้ตาค่ะบางวันภาวนาต่อเรื่องทั้งวันใจอยู่กับเนื้อกับตัวดีมากบางวันทําทั้งวันแต่ไม่ได้เรื่องได้ราวได้แต่ความเพียร น, นี่คือสิ่งที่ต้องพบในการภาวนาใช่หรือไม่ครับอยู่ที่สตินะครัวันไหนสติเราดีใจมันก็ไม่ไม่ไปไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆแต่เพราะเผลอสติไม่มีพุโทโธไม่มีอะไรคอยดึงไว้เดี๋ยวมันก็ไปวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ จากคุณนิคมค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะโกรธแต่ไม่โต้ตอบทําไมถึงกลับรู้สึกแย่เองเจ้าคะเพราะเรายังอยากจะโต้ตอบทข้ามเลยถ้าเราอยากจะให้รู้สึกไม่แย่เราก็ต้องเห็นโทษของความโกรธว่าความโกรธนี้มันเป็นเหมือนไฟเผาใจเราเราเระงับความโกรธด้วยการให้อภัยเขาได้แล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสงบเราต้องให้อภัยเวลาเราโกรธใคร ถ้าให้ภายไม่ได้ก็ใช้สติดึงใจให้ออกจากเรื่องที่ทำให้เรากโกรธโกรธใครอย่าไปคิดถึงเขาให้คิดถึงพุทโธพุทโธพุทโธไปถักระยะเราก็จะลืมเรื่องโกรธไปคำถามต่อไปค่ะเมื่อเจอแบบทดสอบเรื่องผ่าตัดไปแล้วหนึ่งครั้งก็พอสอบได้ไม่สอบตกแต่ทำไมข้อสอบเรื่องผ่าตัดยังจะต้องเวียนมาเป็นรอบที่สองแต่พอสังเกตใจเริ่มไม่แน่ใจเริ่มดิน้นวิตก แต่ก็สลับพุทธโธสู้ไปผัดกันแพ้ชนะแบบนี้จะเอาวิธีคิดแบบไหนมาสู้ต่อก่อนจะผ่าตัดอีกรอบเจ้าคะก็ต้องใช้ปัญญาถึงจะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรปัญหาก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บต้องตายปัญหา จ, จะหายคราวนี้เดือนเดียวมันก็กลับมาเจ็บใหม่แต่ถ้าเรายอมตายยอมเจ็บเราใจเราก็จะไม่ทุกขอ์อะไร จากคุณวรังค่ะกักเตียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคนที่มีอาชีพซ่อมรถแต่เอารถลูกค้าไปใช้ส่วนตัวจะมีผลอย่างใดบ้างเจ้าคะก็เป็นการขมโมยรถก็ไปใช้ก็เป็นการลักขมโมยเพราะเขาไม่ได้อนุ ญ, ญาตถ้าเราเขาไปฝากไว้แล้วถ้าพี่อยากจะไปขับไปเที่ยวไหนเขาไปได้นะอันนี้ก็แต่ถ้าเขาไม่อนุ ญ, ญาตนี่เราเอารถเข้าไปใช้นี้ก็เป็นเป็นความเป็นการลักขมโมยแล้วก็เป็นการ ทำลายความศรัทธาความเชื่อในตัวเราลูกค้าถ้าเขารู้ว่าเราหลอกลวงเขาหลอกเอาของเขาไปใช้คราวหน้าเขาก็อาจจะไม่มาซ่อมที่เราก็ได้ยังไงความซื่อัตั์จะดีกว่านะความซื่อสัทธ์ทำให้คนเขาเขาชอบเราเชื่อใจเราแลวเวลาเขาอยากจะซ่อมรถเขาก็จะมาซ่อมที่เราแต่ถ้าเขารู้ว่าเราไม่ซื่อสัทธ์เราเอารถไปใช้ คดีไม่ดีเอาไปชนพังก็มีแล้วไปทังความเสียหายแล้วเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปซ่อมให้เขาเองก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมางั้นอย่าไปทำในสิ่งที่เราไม่ควรจะทำเลยถ้าอยากจะใช้รถก็ใช้ของเราหรือไปเช่ารถที่ไหนก็ได้หมดแล้วเลยคำถามอ่ยังมีเข้ามาอีกท่านหนึ่งแล้วค่ะจากคุณภูเขาค่ะ มีใจอยู่ครับที่อยากจะไปบวชเพื่อไม่ให้รับรู้อะไรเลยกับอขออภัยค่ะมีใจอยู่ที่อยากจะไปบวชครับเพื่อไม่ให้รับรู้อะไรเลยหรือไม่หรือไม่ก็ความคิดที่แตกต่างกันไม่ได้อยากดังครับขออภัยนะคะพระจรย์เรื่องของการบวชนี้เป็นการที่เราจะไปไปสร้างกําลังใจให้กับใจของเราสร้างปัญญา เพื่อให้เรามาเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ได้ให้ไปนหนีจากโลกไปเพียงแต่ว่าช่วงนรกๆนี่จะต้องปิดตัวไปเพื่อสร้างกําลังใจเหมือนนักเหมือนนักมวยถ้าขึ้นเวทีแล้วถูกเข้านอกอยู่เรื่อยๆก็ต้องลงเวทีไปไปฝึกไปซ้อมก่อนพอเราซ้อำจนกระทั่งเราเก่งแล้วเราค่อยกลับไปขึ้นเวทีใหม่เพื่อที่เราจะได้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้การบวดนี้เป็นการปิด หลบคนชั่วข่าวเพื่อไปสร้างกำลังใจพอเรามีสร้างกำลังใจแล้วต่อไปเราก็กลับมาเจอคนได้ไม่ไม่เดือดร้อนเวลาที่เราเจอกับใครจากคุณธนาเดชค่ะเห็นสัตว์จรจัดหิหวโหยแต่เราไม่สามารถช่วยได้เราควรวางใจอย่างไดดีครับก็ เ, เป็นมังเวราขาว่าเป็นกรรมของเข า, าแล้วกันเขาเกิดมามีกรรมเป็นของของเขาขเราเลนจะต้องประสบกับสภาพแบบนี้ มาเจอคนอย่างเราที่ไม่มีปัญญาที่จะช่วยเขาก็เป็นกรรมของเขาถ้าเขาไปเจอคนที่มีปัญญาไปเลี้ยงเขาก็เป็นบุญของเขาไป <c oughs> จากคุณดวงเดือนค่ะมีน้องๆลูกหลานขอยืมเงินเราไปแล้วเขาให้ผลตอบแทนกลับมาหมายถึงดอกผลที่เราไม่เคยเรียกร้องถือว่าดอกผลที่ได้บริสุทธิ์หรือไม่และเมื่อนำเงินมาทำบุญจะมีผลที่บริสุทธิ์หรือไม่เจ้าคะเป็นงานบริสุทธิ์ถ้าเราไม่ได้ไป <c oughs> ถ้าไม่ได้ไปบังคับเขาถ้าเขาให้เราหรือว่าก่อนที่เราจะให้เขายืมล้วเราทาการตกลงไว้ก่อนว่า เขาจะให้ค่าตอบแทนการยืมเงินท่านนั้นทะนนี้เพราะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับการซื้อขายเป็นการทำการค้าอย่างนั้นแต่อย่างนี้ก็เป็นเงินที่ได้มาโดยบริสุทธ mm ิ hmm. ์สามารถเอาไปทำบุญทำทานได้ไม่มีปัญหาเลยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าค่ะ okay. มีใครอยากจะถามอะไรไหม <c oughs> วันนี้ฝนฟ้าอากาศก็ค่อนข้างที่จะแปลปตัวแต่ก็ดีที่ยังไม่ตกมากจนเกินไปถ้าตกมากบางบางทีเสียงมันดังก็จะไม่ได้เทศจะต้องก็จะได้นั่งสมาธิกันแทนนั่งสมาธิก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งคือ ไ, ได้ความสงบฟังเทศก็ได้ปัญญาได้ความรู้อทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อนก็ได้ ฟังเทศแล้วก็จะได้ความรู้ความเข้าใจแล้วหลังจากฟังเทศเสร็จก็อาจจะมีสติที่จะทำให้เราสามารถนั่งสมาธิต่อได้คนที่นั่งสมาธิเองไม่ได้บางครั้งก่อนเริ่มต้นนี้จะต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์เพื่อสร้างสติให้มากขึ้นเพื่อทำใจให้ฟุงฟ้งน้อยลงให้คิดน้อยลง พอใจคิดน้อยลงแล้วต่อไปก็สามารถนั่งดูลมได้หรือนั่งพุโทโธพุโทโธได้การสุขจิตก็เป็นขั้นเป็นตอนการนั่งสมาธิเลยนี่บางทีถ้าสติยังมีกำลังไม่พอก็จะจะนั่งไม่ได้ก็อาศัยการเจริญสติด้วยการสวดมนไปด้วยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนฟังไปสวดไปสักระยะนึงรู้สึกใจเย็นใจสบายขึ้นก็ลองหยุดฟัง แล้วก็ลองมาดูลมหายใจเข้าออกอ่มีคำถามเข้ามาไหมไม่มีเจ้ค่ะโอเคถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านดีได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ